เอาวิชาและวิมุตตพระพุทธเจ้าพระองค์มีวิหารธรรมก็คือวิชาและวิมุตตวิชาคือความรู้แจ้งอวิชาก็คือความไม่รู้วิมุตตก็คือความหลุดพ้นเมื่อพระองค์ได้บำเพ็ญจนกระทั่งอยู่จบ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 ทนี้อะไรเป็นเหตุให้เกิดวิชาและวีมุตมันก็มีคุณธรรมเจตประการโพอดชงจิตที่เป็นเหตุให้เกิดวิชาและวีมุตอะไรเป็นเหตุให้เกิดโพชดชงจิต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 ปริพาวิโตปัญญามาหาปโลโหติมหานิสรงโซเมื่อจเจริญสมาธิให้มากทำให้มากก็จะเข้าถึงปัญญาปัญญาปริพาวิโตจิตตังสมะเลวะอาสวหิวิมุตติเมื่อเราสร้างปัญญาสร้างปัญญาขึ้นมากมาก